แสดงว่ายินดีปฏิบัติตามคําสั่งของนายทัพในขณะที่ทหารผู้หนึ่งจะนำนายกองม้าไปประหารชีวิตนั่นเองศีครินก็มาทูลขอชีวิตนายกองไว้อโศกให้ศรีครินเป็นประกันว่าจะไม่ให้นายกองม้าผู้นั้นมีความเห็นขัดแย้งคําสั่งของนายทัพอีกถ้ามีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นจะเอาชีวิตของศรีครินด้วย